คุณทวดสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครค่ะรายการสังสรมีสนทนานะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวาข่าว F อฟเอมร้อยหกสังสรรณีนาฏพงศ์ดำเนินรายการกรรมหาภัยบูรณอภิบุญโนร่วมนวยการหลักสูตรหลีกเร้นวัดป่าดอนหายโสอุดรธานีมาให้ธรรมะกับท่านทั้งหลายนะคะวันนี้เราก็จะเริ่มต้นกันเช่นเคยด้วยการที่นิมนต์ท่านไัยบูรณ์นำพวกเราปฏิบัติธรรมก่อนที่จะฟังรายการกันต่อค่ะน้อมสักการะท่านค่ะ เพิ่พอนเรามาเริ่มการฟังธรรมของเราด้วยการปฏิบัติธรรมซะก่อนโดยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายมาระลึกนึกถึงลมหายใจของเราเวลาเรามาระลึก ok นึกถึงลมหายใจของเรานั้นคำว่าระลึก ok นั้นคือการคิดถึงนั่นเองคำว่าคิดถึงนั้นก็คือการนึกถึงนั่นเองอย่างเมื่อที่เรานึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้คิดเรื่องอื่นเรื่องใดบ้าง อ, อดีตบ้างอนาคตบ้างเนี่แต่ที่เราจะไปคิดนึกใน เรื่องต่างๆเหล่านั้นเราก็มาคิดนึกในเรื่องของลมหายใจทีจนี้จิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นก้อนแข็งที่ว่าจับปุ๊บมันจะอยู่ตรงนั้นปับ๊บหรือลมเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นก้อนแข็งที่มันปรับปุ๊บมันก็จะอยู่ตรงนั้นเหมือนกันมันไม่เหมือนเจกันมันไม่เหมือนของแข็งที่วางเอาไว้แต่มันทั้งสองอย่างเนี่ยมีลักษณะที่เคลื่อนไปย้ยย้ายไปได้เป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่นิ่งอยู่คงที่ จะมการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจึงจะต้องมีที่ที่มันคงที่ที่ที่มันเป็นหลักให้มันมาอยู่ด้วยกันคํานี้พระพุทธเจ้าใช้คําว่าบริเวณทางเข้าทางออกที่เรียกว่าปริมุขขังแต่มุขนี้หมายถึงทางเข้าทางออกปริก็คือบริเวณปริมุขขังคือบริเวณทางเข้าทางออกของอะไรของลมหายใจนั่นเองเรากําลังเจริญอานาปานสติดังนั้นบริเวณทางเข้าทางออกก็ต้องหมายถึงทางเข้าทางออก ของลมหายใจอย่างเวลาที่อาคารบ้านเรือนเขาสร้างเป็นสถานที่เขาทํายื่นออกมานี่เพื่อให้เป็นหน้ามุกนะจะเราใช้ศัพท์คํานี้เพื่อรู้ว่าอันนี้เป็นทางเข้าทางออกนี่ทางเข้าทางออกที่ยื่นออกมาจากหน้าของเราเพื่อให้รู้ว่านี้เป็นทางเข้าทางออกนี่ก็คือจมูกเนี่ยมันยื่นออกมาโด่งออกมาจากหน้าของเรานี่เป็นทางเข้าทางออกของลมแต่ส่วนใหญ่เราจะหายใจทางจมูกเราจะไม่ได้หายใจทางปากเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นในโพรงจมูกเนี่แหละ เป็นที่ที่เราจะให้จิตของเรามาตั้งอยู่กับลมจิตที่เคลื่อนไปได้ไม่ได้มีรูปร่างแน่นอนเปลี่ยนแปลงได้ใหญ่ได้เล็กได้กับเราไม่ใช่ที่ ย, ย้ายไปไม่ได้เป็นของแข็งที่จับต้องได้แต่เป็นสิ่งที่เคลื่อนที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาให้มันมาอยู่ด้วยกันบริเวยไหนบริเวณทางเข้าทางออกของลมการทําตรงนี้เราไม่ต้องบังคับลมให้มันสั้นหรือมันยาว มันเร็วหรือมันช้าแต่ให้ทําอย่างเป็นธรรมชาติลมคือกายนี้ให้ทําอย่างเป็นธรรมชาติใจคือจิตของเราที่มารู้อยู่กับลมนี้ก็ไม่ต้องบังคับแต่บังคับแล้วมันจะโปวดบางคิ้วแต่ให้ทําอย่างเป็นธรรมชาติคือมีการควบคุมในระดับหนึ่งการควบคุมที่เราจะมาควบคุมจิตให้ตั้งอยู่กับลมนั้นโดยการใช้การระลึกได้การคิดถึงนึกถึงนั่นเองการคิดถึงนึกถึงนี้ให้เรามาอยู่กับลม ในที่ตำแหน่งนี้แล้วในการที่เราทําตรงนี้แต่เวลาเราจะค่อยๆทําจิตให้มีความสงบลงได้ความสงบลงของจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาที่น้ํามันไหลลงมาจากพื้ที่สูงถ้าขอบกันต่างๆมันไม่ได้มีรูรั่วไปทางไหนก็ตามเนี่ยน้ำที่ไหลลงมามันก็จะแรงแล้วก็จะเร็วหรือถ้าเราจะเปรียบเทียบกับสายยางที่เราต่อน้ํามาจากก๊อก ถ้าสายยางนี้ไม่มีรูรั่วแต่ถ้ามีรูรั่วเนี่ยน้ําที่ออกที่ปลายสายมันก็จะค่อยไม่เต็มจํานวนแต่ถ้ารูรั่วนั้นอุดหมดไม่มีรูรั่วเลยน้ํำที่ออกที่ปลายสายนั้นก็จะเต็มจํานวนยิ่งทําให้มันเล็กลงแหลมลงน้ํานี่ก็จะยิ่งพุ่งแรงจริตเหมือนกันจิตของเราถ้ามาอยู่กับสติโดยที่ไม่ได้ไปคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือจะคิดนึกก็ตามแต่ก็มีสติตั้งเอาไว้ไม่ลืมหลงลมหายใจ มีความรู้สึกตามแขนขาได้ยินเสียงบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ลืมลมอาการที่เราไม่ลืมลมเนี่แหละคืออาการที่จิตของเรามไม่ได้ไปแช่สายในทางอื่นจิตที่เป็นลักษณะนี้ก็จะค่อยรวมลงรวมลงแต่ก็มารวมลงนี้ก็คือมีความแหลมคมขึ้นเล็กลงเล็กลงเหมือนกับเวลาที่เราทำปากของสายายางให้มันเล็กๆเนี่ยน้ำจะยิ่งพุ่งแรงน้ำที่ตกมาจากที่สูงไม่ไหลไปทางอื่นกว้างขวางไป แต่จะให้มันเล็กลงมาเล็กลงมามันจะยิ่งไปแรงยิ่งไปเร็วจิตของเราที่ไม่ได้ไปแส่ใสตรงนั้นตรงนี้แต่มีสติตั้งเอาไว้มันจะค่อยรวมลงรวมลงมีความแหละมคมขึ้นความแหละมคมที่มันเล็กลงตงัวนี้บางตีทำให้จิตเนี่ยที่ไปรู้ลมหายใจพื้นที่ในการรับรู้นั้นเล็กนิดเดียวพอพื้นที่ในการรับรู้มันเล็กนิดเดียวแต่ไม่เหมือนกับว่าเราไม่ได้หายใจแต่ลมหายใจหายไปแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องไป บังคับลมให้แรงขึ้นมาอีกไม่ต้องไปตกใจว่าชันจะเป็นอะไรจริงๆการหายใจมันมีอยู่ตามปกติเพียงแต่ว่าจิตที่เข้าไปรู้ลมเนี่ยพื้นที่ที่เข้าไปรู้สัมผัสมันเล็กมากทำให้เหมือนกับเหมือนกับไม่หายใจแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ให้เรามีสติอยู่นะที่ตําแหน่งเดิมมีสติอยู่กับความนิ่งอยู่นะั้นต่อไปไม่ต้องทํำลมให้แรงขึ้นมาซึ่งการฝึกการกระทําตรงนี้แน่นอนว่าเราสามารถทําได้ตลอดเหมือนเป็นเรื่องของจิต ไนที่จิตเราจะทํางานจิตมันก็ต้องมีจะพูดคุยจิตมันก็ต้องมีกินข้าวอาบน้ําจิตมีหมดฝึกจิตให้มีสติตัต้งไว้อย่างนี้บางทีสติอาจจะแหลมคมบ้างสติเป็นไปกว้างกวางบ้างก็ขอให้ทํำดูอย่างต่อนเนื่องไปอันนี้จะมีประโยชน์มากทีเดียวจปฬาพสาธุค่ะก็ฝึกกันให้แหลมคมเหมือนฝนเข็มอะไรอย่างนี้เลยนะคะถูกต้องถูกต้องก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านล่ะนะคะว่า จะแหลมคมได้เร็วกว่าหรือว่าใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งแต่ในทุกขณะที่ผ่านไปความเพียรของท่านก็จะทําให้ความแหลมนั้นปรากฏชัดมากขึ้นมากขึ้นถูกต้องถูกต้องคนคที่ทําจริงแน่แน่จริงคือมีวิริยะความเพียรเนี่ยจะทําสติให้เกิดขึ้นได้อันนี้พระพุทธเจ้ายืนยันไว้อมค่ะท่านคําบเมื่อวานนี้ได้กราบเรียนถามท่านถึงเรื่องบัณฑิต แล้วก็บอกว่าบัณฑิตเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เยอะอ่าทีฉันก็เลยถามว่ามีมหาบัณฑิตไหมมีดุษฎีบัณฑิตไหมถ้าจะเปรียบกับสมัยนี้ในยุคนั้นท่านบอกว่าเรื่องนี้ยาวต้องมากล่าววันนี้ก็วันคริสต์มาสเนี่ยค่ะเป็นวันดีเลยท่านให้ความรู้กับพวกเราในเรื่องนี้หน่อยก็แล้วกันค่ะที่คนยำติวไปถึงก็คงจะหมายถึงบัณฑิตที่เขารับปริญญาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าปริญญาตรีก็ เป็นบัณฑิตธรรมดาใช่ไหมถ้าเป็นปริญญาโทก็เป็นมหาบัณฑิตใช่ไหมค่ะแล้วก็ถ้าสูงขึ้นไปกว่านั้นก็เป็นมหาของมหาบัณฑิตอีกอ่ะอย่างเงี้ยนะค่ะคเขาเรียกดุษฎีบัณฑิตเอ อ, เออดุษฎีบัณฑิตเนี่ยที่ว่ามีการปริญญาแต่ว่าปริญญาตรงนี้ทําให้อดมาคลิกขึ้นมาทันทีเลยว่าโอ้ใช่ใช่ใชปริญญาคือแปลว่ารอบรู้แต่สมมุติคุณเรียนทางด้านสายวิศวกรรมอย่างเงี้ยคุณก็รอบรู้ถึงเรื่องงานช่าง แต่คุณเรียนสายทางการแพทย์ชีวพิทยาคุณก็รอบรู้เรื่องร่างกายของมนุษย์คุณต้องรู้รอบเลยนะรอบรู้เข้าใจว่าทํำงานยังไงมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรแต่มีปัญหานี้แก้ยังไงทํำยังไงยังไงนี่คือเขาเรียกว่ามีการรอบรู้หรือรู้ ร, รอบซึ่งศัพท์คำว่าปริญญาเนี่ยนะคุณโยมติวเป็นพุทธพจน์นะเป็นบุทธพจอ๋อเหรอคะอืมค่ะพราชาใช้คําว่าปริญญเยะปริญญเยยะใช่ญญญญคําเนี้ย ก็คือภาษาไทยเรามาใช้คําว่าปริญญาสั้นๆอย่างนี้ซึ่งคำนี้เป็นคําที่พระพุทธเจ้ากล่าวครั้งแรกไว้ในธรรมจั ก, กรกับปตนสูตรเลยเป็นการเทศกันแรกแล้วเอาคํานี้มาใช้เลยคือปริญญาต้องรู้รอบรู้รอบเรื่องอะไรรู้รอบเรื่องขันห้ารู้รอบเรื่องทุกเนี่ยอย่างที่ถามภิกษุ บ, บอกว่าเฮ้ยถ้ามีคนมาถามเธอว่าเธอบวชมาทําไมเธอบรรจธรรมทําไมให้ตอบเข้าไปเลย ว่าฉันจะต้องการปริญญาปริญญาในอะไรปริญญานี่คือรอบรู้นะรอบรู้เรื่องทุกคุณมาศึกษาปริพฤตธรรมเนี่ยคุณต้องได้ปริญญานะปริญญานี้คือคมเป็นเด็ใช่ไหมปริญญาอะไรปริญญาในขันห้าปริญญาคือปริญญญานะที่พระพุทธเจ้าใช้สาวคือรอบรู้รอบรู้เรื่องอะไรรอบรู้เรื่องทุกนี่คือสอนให้พระเนี่ยตอบอย่างนี้สอนให้สาวกผู้ปฏิพธรรมเนี่ยเข้าใจอย่างงี้ว่า คุณต้องรอบรู้นะคุณต้องได้ปริญญานะในเรื่องทุกนี่แหละในเรื่องกันห่านี่แหละต้องเข้าใจมันนะกันห่านี้ต้องรอบรู้คือปริญญาเั็นหนึ่งค่ะปริญญาแปลว่ารอบรู้อ๋อค่ะนะคะก็เท่ากับว่าอในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าคำสอนของพระศาสดาแล้วจะต้องเป็นผู้ที่ได้ปริญญาคือเป็นผู้ที่รอบรู้ ในเรื่องที่ท่านตั้งใจให้รู้นั่นก็คือเรื่องของความทุกข์ถูกต้องคือขันห้านั่นเองถูกต้องค่ะขันห้าไม่ได้ให้ละนะต้องต้องซ้ําตรงนี้นะเพราะว่าถึงขนาดที่ได้บัญญัติไว้เอ่อถึงได้สแสดงธรรมไว้ในธรรมจักรกับวัตนสุนธรรมเทศนาบทแรกหลังตรัสรูโอ้โหสำคัญมากๆาใช่ค่ะเนีแล้วก็คือขันห้าไม่ได้ให้ละนะถ้าใครบอกว่าละขันห้านี่คือพูดขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าละ เพราะว่าสิ่งที่ต้องละเนี่ยคือตัณหาตัณหาคือถ้าเราจะเปรียบเทียบในสี่คำแต่ถ้าคุณจะเปรียบปริญญาคือการรอบรู้คือต้องเปรียบกับสิ่งที่ต้องละด้วยสิ่งที่ต้องรู้รอบรอบรู้นะคือขันหน้าสิ่งที่ต้องละนะเพราะมันเลเวลเดียวกันเนี่ยการรอบรู้ปริญญากับการละคือปะหานะเนี่ยคือละเนี่ยละต้องละตัณหาละตันละตัณหาสิ่งที่ต้องทําให้เจริญ ทำให้มากคือมรนะ์แปดเนสิ่งที่ต้องทำให้เจริญทําให้มากคือภาวิตาภาวิตาคือภาวนาแล้วแหละสับคํำนี้แหละภาวนาคือพัฒนาภาวิตาเนี่ยคือทําให้เจริญสับคําเดียวกันเนะี่ยท <Okay. S 1> ให้เจริญอะไรในมร์แปนะในมร์แปเราจะมาเอา <Okay. S 1> แค่สามคำนี้พอนะสามคำนี้พอ <Okay. S 1> คือคุณต้องมีปรนะิญญาในขันห้าคุณต้องมีปาหาณะกิรละในตัณหาคุณจะต้อง <Okay. S 1> มีภาวิตาคือทําให้เจริญในมร์แป ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สับมันจะสับสนสลับกันเนี่ยมันจะสับสนเช่นถ้าเราคิดว่างั้นฉันต้องรากขาหน้าโอ้พลาดพลาดพาดไม่ได้งั้นฉันต้องรู้รอบมักแปดโอ้ไปกันใหญ่แล้วผิดละมักแปดคุณไม่ใช่ไปรูรอบนั้นคุณต้องเจริญทํำไมมากถึงจะถูกกิจที่ควรทําถูกต้องค่ะนั้นตอนนี้เรามีคําสําคัญเพิ่มขึ้นมาอีกนอกเหนือจากปริญญา ก็คือปราปรานะอตันหาถูกต้องภาวิตาแปลว่าเจริญมักแปดใช่ค่ะต้องต้องใช้ให้ถูก อ, อทีนี้อ่าท่านค่ะไหนๆก็มาตรงนี้แล้วบางคนบอกว่าเคยได้ยินแต่ให้รอบรู้เรื่องทุกทีนี้บอกว่าให้รอบรู้ขันห้าอีกขันห้าเท่ากับทุกใช่ขันหน้าคือความทุกถูกต้องค่ะแล้วทุกคืออ่าขันห้าคืออะไรค่ะขันเนี่ยแปลว่ากองกัน กองนี่หมายถึงว่าสิ่งไหนที่มันมีสภาวะคล้ายๆกันมาจัดหมวดหมู่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันกลุ่มก้อนหรือหมวดหมู่ตรงนี้เรียกว่าขันขันในแบบว่ากองนะขันในแบบว่ากองหรือว่ากลุ่มก้อนอย่างเช่นว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ที่มีคนมักจะพูดกันนะอันนี้ไม่ใช่ปุถุพจนะเป็นสัตว์สังคมเนี่ยเขาคือเป็นขันเนีเป็นกองเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันต้องมีอ่ะไหนที่มันเหมือนมือนกันคล้ายๆกันก็มาจัดรวมกันของอะไรบ้างล่ะ ของที่เป็นของแข็งของเหลวกา๊าซสิ่งที่แตกสลายได้เป็นน้ำเป็นรูปเป็น้าตสีดินน้ำไฟลมเอามาจัดกองรวมกันเข้าเป็นหมวดหมู่เดียวกันกองนี้เขาก็เรียก ว, ว่ากองรูปหรือว่ารูปปรขันอันนี้คือกองที่1นแต่ส่วนไหนที่เป็นความรู้สึกที่สุขบ้างทุกบ้างทางตาทา ง, ทา ง, ทางหูบ้างเดี๋ยวก็มาจัดกองรวมกันเป็นหมวดหมดู่เดียวกันก็ เ, เรียก ว, ว่ากองเวทนาหรือว่าเวทนาขัน <S <S ขเวทนาแปลว่าความรู้สึก สิ่งไหนที่เป็นความหมายรู้เช่นเราได้ยินเสียงนี้เรารู้ว่าเป็นภาษาไทยเราได้ยินเสียงนี้เรารู้ว่าเป็นเสียงแม่เงี้ยความหมายรู้ตรงนี้ทางตาทางหูเราก็มาจัดรวมกันเป็นกลุ่มก้อนเรียกว่ากลุ่มก้อนของสัญญาคือสัญญาการสัญญาคือความหมายรู้หรือว่าการปรุงแต่งใดๆที่มันไปนทางกายวาจาใจการปรุงแต่งใดๆที่เราคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยทั้งหมดเนี้ย มากองรวมกันจัดหมุมหมู่ไว้ด้วยกันก็เรียกว่ากองสังขารหรือว่าสังขารขันสังขารแปลว่าการปรุงแต่งแล้วก็ส่วนที่เป็นการรู้แจ้งเนี่ยวิญญาณเนี่ยแปลว่าการรู้แจ้งไปรับรู้เนี่ยบางคนก็แปลว่าการรับรู้ก็ได้นะรับรู้หรือว่ารู้แจ้งในทางทางหูจมูกลิ้นกายและใจการรับรู้ตรงนี้เขาเรียกว่าวิญญาณมากองรวมกันมาจัดมุมหมู่ไว้ด้วยกันก็คือกองวิญญาณ หรือว่าวิญญาณขันเนะก็จะมีอยู่5้ากองนี้5ขันนี้นี่คือความทุกข์ว่าโดยย่อๆอย่างนี้ค่ะหรือถ้าเราจะแจกแจงอีกแบบหนึ่งนี่คือแจกแจงโดยลักษณะของขัน5ก็ได้แจกแจงโดยลักษณะอีกแบบหนึ่งพรูดุจจาก็แจกแจงว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกความร่ำนาถลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขัดแย้งใจทั้งหลายนี่เป็นความทุกข์แจกแจงแบบนี้ก็มี จะใช้ขันห้าก็ได้จะใช้เรื่องของอาการเก้าอย่างในความทุกนี้ก็ได้ค่ะก็เท่ากับว่าเป็นปรินยาเหมือนกันที่ต้องรอบรู้ใช่ไหมครับถูกต้องต้องรอบรู้มันทีนี้รอบรู้เนี่ยรอบรู้ยังไงแต่เพราะว่าบอกว่ารู้รู้รู้รอบเนี่ยมันรู้ยังไงเพราะว่าเวลาเรามีความเจ็บอย่างเงี้ยเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเฉันก็รู้นะฉันโดนสิ่งที่ไม่น่าพอใจถูกคนดา่าถูกเจ้านายดา่าเศรษฐกิจไม่ดีในมีปัญหาการงาน โอ้ยฝนตกรถติดนี่มันทุกข์ทั้งนั้นแล้ฉันจะไม่จะไม่รู้ว่าฉันจะเจอมีความทุกข์ใช่ป่ะค่ะอ่เพราะฉะนั้นปริญญาคําว่าปริญญาเนี่ยมันต้องมาเจาะกลงไปหน่อยว่าที่รู้รู้มันรู้ยังไง ร, รู้แบบไหนอย่างเงี้ยไหนจะเป็นบัณฑิตจะรับปริญญาแล้วรู้แบบไหนกันแน่เอารู้แบบว่าเช่นว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้ก่อนก็แหลอย่างเช่นว่าเราปวดท้องหรือว่าเราปวดหัวปวดท้องปวดหั ว, ป ว, หวปวดหลังเนี่ยโอ้โห มันเป็นอาการที่เกิดจากได้หลายโรคนะ อ, อาจจะหลายเชื้อเราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะอาการนี้มันเกิดจากโรคอะไรหรือก็จะคนเจ็บไข้ได้ป่วยทั่วไปเขารู้ว่าตัวเองเจ็บเขาก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าเวลาหมอเนี่ยเขาถามเราว่าเอ่อคุณเป็นอะไรเราบอกว่าเราปวดท้องเนี่ยหมอเขาก็จะถามต่อว่าคุณกินอะไรมาหรือคุณไปทำอะไรมาเพื่อที่จะสอบถามไปว่าเฮ้ยอาการปวดแบบนี้ คุณเจอความทุกข์เนี่ยมีอะไรเป็นสาเหตุนี่คือข้อที่1ก่อนนะมีอะไรเป็นสาเหตุแต่คนทั่วไปที่บอกว่าคุณรู้คุณรู้รู้ทุกข์เนี่ยคุณจะไม่รู้สาเหตุของมันว่ามันมาจากเชื้ออะไรมาจากเหตุแบบไหนแต่หมอเขาจะรู้นี่ข้อที่1ก่อนที่แตกต่างกันเพราะนั้นคำว่าปริญญาที่คุณรู้รอบเรื่องทุกข์เนี่ยคุณต้องรู้สิว่าเหตุเกิดมันมาจากไหนนี่คือข้อที่หนึ่งนะ 2. เขาก็จะรู้ด้วยว่า ผลต่อไปมันจะเป็นยังไงคุณปวดท้องจากโรคนี้ใช่ไหมถ้าคุณไม่แก้นะไส้ติงจะแตกแต่ไสติงแตกก้างในติดเชื้อคุณตายแน่นอน<ๆ>เขาก็จะรู้ต่อไปว่าผลมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่คือรอบรู้ในข้อที่สองค่ะ่คือหมอเขาจะมองโรคต่างจากคนที่เจ็บท้องอยู่มองคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านหมอเนี่ยเขาจะมองแบบได้ทะลุไม่เท่ากันนี่คือในข้อที่2ที่เขาจะเห็น ในข้อที่สาที่เขาจะเห็นก็คือว่าเขาก็จะรู้ว่าไอ้ที่ปวดท้องเนี่ยมันปวดท้องแบบมันมีหลายแบบแบบบิดแบบแน่นๆแบบเย็นเย็นหรือปวดท้องแบบอืดอืโอ้เขจะแยกแยะแจกแจงได้่ในข้อที่3ว่าไอ้ตัวความทุกข์เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามันมีกี่แบบทุกชนิดมากคลายช้าทุกชนิดแบบให้ผลแบบนี้ทุกชนิดแบบแบบนั่นก็จะมีความแตกต่างกันคนที่มีปริญญา รอบรู้เรื่องทุกข์โเชอรู้ในข้อที่3นี้ด้วยความแตกต่างกันของความทุกข์ผลข้อแรกก่อนนะมาณไล่สามวิธีหนึ่งนะคุณยมติยวนะข้อแรกคือเหตุของความทุกข์จะทราบข้อที่2คือผลของความทุกข์จะทราบข้อที่3คือลักษณะเป็นไปต่างๆของความทุกข์เขาจะทราบคนที่จะรอบรู้เรื่องทุกข์นะเขาต้องรู้3มอย่างนี้อย่างที่4ี่ก็มีอีกว่าอารวิธีที่จะพ้นจากมันเนี่ยทายังไงอันนี้เขาก็จะทราบว่าจะพ้นใจความทุกข์เนี่ย แก้พนาเนี่ยเอาคุณใช้ยานี่หมอเขาจะบอกแล้วคุณเป็นเชื่ออันนี้คุณกินยานี้เข้าไปแล้ไม่เกินยี่บสี่ชั่วโมงคุณจะหายก็จะรู้วิธีแก้อยู่เช่นเดียวกันคนที่จะปริญญาได้รับปริญญาเรื่องกันท่ได้รับปริญญาเรื่องความทุกข์เขาต้องรู้วิธีที่จะออกจากทุกข์นี้ด้วยได้รู้วิธีดับของมันด้วยค่ะนี่เกิดในข้อที่4เอาแค่สี่ข้อนี้บอกกันนะในข้อแรกแลกลับมาในข้อแรกที่บอกว่า เหตุของความทุกข์คืออะไรที่บอกว่าคุณจะต้องรู้เนี่ยคุณต้องรู้รอบเนี่ยอะไรกันแนะ่เหตุของความทุกข์คำตามในคำถามนี้ก็คือตัณหานั่นเองตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์ไม่ใช่ว่าประชา บ, บันดาลไม่ใช่ว่าผู้อื่นบันดาลไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเองลอยลอยไม่ใช่ว่าท่านจาของฉันเองแต่แต่แต่ผิดหมดพวกนี้แต่ทุกข์เป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยอะไรตัณหาแน่นเอง โอ้โหนี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากคุณโยมติวแต่เพราะว่าในสมัยก่อนนะเขาเชื่อว่าพรมเนี่ยบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างพรมเนี่ยบรรดาลความสุขพรมเนี่ยบันดาล ค, ความทุกข์แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าตัณหามันจึงเป็นเรื่องใหม่มากๆก า, การประกาศธรรมในครั้งนั้นจึงเป็นสีที่หมุนทวนกลับความคิดในสมัยนั้นหมดทุกอย่างเขาใช้คาว่าปฏิวัติเลยปฏิวัติเลยก็คือศัพท์คำเนื้ที่พรพุทธเจ้าใช้เนี่ยปฏวิวัติเนี่ย ปะวตปะวตาวตนางนี่คือหมุนใบหมุนให้ไปทางสายกลางทางนี้ปฏิวัติเลยเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ทีนี้เอ่อความเป็นไปแตกต่างกันของความทุกข์เ อ, อ, อ่อเราจะไล่ไปตามลำดับดีกว่านะที่ไล่ไปเมื่อสักครู่ข้อที่2ผลของความทุกข์ใ น, นผลของความทุกข์ความทุกข์เนี่ยมีผลอยู่2 อ, อย่างคือบุคคลที่มีความทุกข์ถูกต้องแล้วเนี่ยหนึ่งจะร่ำไรขราครนทุบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนคลั่งเพอ้อ แบบเสียสติไปแล้วจมปลักอยู่ในความทุกข์หรือ2 2สองบุคคลที่มีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วจะสแสวงหาทางออกจากทุกข์ว่าใครนอที่จะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีนี่คือผลของความทุกข์มีอยู่ อ, อย่างก็คืออย่างที่เราเห็นเน่เหมือนคนในในโลกปัจจุบันนี่แหละเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งผู้ที่จมปลัก อยู่ในกองทุกข์นั้นก็มีพวกที่จะพยายามหาทางแก้ก็มีนี่ ค, คือผลของความทุกข์อันนี้เราเริ่มฉลายขึ้นมาแล้วนะทีนี้ข้อที่สา <c oughs> มเริ่มมีปริญญาละเริ่มเป็นบัณฑิตะนะถ้ารู้แบบนี้ข้อที่สามก็คือความเป็นไปแตกต่างกันของความทุกข์แล้วก็มีหลายอย่างทุกชนิดที่คลายเร็วก็มีทุกชนิดที่คลายช้าก็มีทุกชนิดที่แบบให้ผล ในปัจจุบันนี้ให้ผลในเวลาต่อมามันก็จะมีทุกอยู่หลายแบบก็จะแยกแตกต่างกันไปคือไม่ใช่ว่าไปเหมารวมไปหมดอะแต่ว่าบางอย่างมันก็ทุกของอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งกลับไม่ใช่ความทุกข์เราต้องรู้จักแยกแยกตรงนี้ส่วนในข้อที่สี่ที่บอกว่าวิธีการที่จะพ้นจากความทุกนี้เดีย๋ยจะทำอย่างไรในวิธีการที่4ที่จะพ้นจากความทุกนี้คือการปฏิบัติตามมรรค8 ตรงนี้ต้องฟังให้ดีต้องคมมากๆเลยคุณโยมติวมาร์8เนี่ยไม่ได้ทําให้ทุกข์หายไปให้เรามาพูดอีกทีมาร์กเนี่ยทำให้เหตุของทุกข์หายไปฟังี้ก่อนนะมาร์8ทําให้เหตุของความทุกข์หายไปคือตัณหาทําให้มันดับไปได้เพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่ามาร์8ทําให้ความทุกข์หายไปนี่นะโอ้ฉันปวดอยู่นะปวดนี่เป็นความทุกข์นะปวดนี่เป็นขันห่านะแบบเจ็บอะเจ็บไข่ได้ปวยใช่ไหม เอาฉันก็ปริบัติตามศีลสมาธิปัญญานะทำไมปวดมันไม่หายสักทีอาการปวดทำไมมันยังมีอยู่อันนี้อาจาต้องพูดให้อีกครั้งหนึ่งว่าม a ร k 8เนี่ยทำให้ตัญหาคือเหตุของความทุกข์เนี่ยหายไปไม่ได้จะทำให้อาการเจ็บหายไปเช่นในสมัยพุทธกาลนั้าพระวักกะลีเนี่ยโหป่วยหนักมากเจบไปทั้งตัวก็ปริบัติตามมารกแต่อาการเจ็บไม่ได้หายไป แต่จิตนั้นพ้นจากตัณหาได้เขามให้นะจิตพ้นจากตัณหาได้แต่ร่างกายถ้าเหตุของเวทนาคืออาการเจ็บนี้มันยังมีอยู่อาการเจ็บนี้ก็จะยังมีอยู่แต่ถ้าจิตเรามีมรรคแต่อย่างเต็มที่แล้วตัณหาในจิตจะไม่มีตัณหาในจิตไม่มีไม่ใช่หมายความว่าเวทนานั้นจะดับไปด้วยมันก็ละเรื่องกันคุณยมติดเข้าใจไหมเข้าใจนะ ว่ามาร์8ทําให้ตัณหาละไปไม่ได้ทําให้ขันห้าดับไปขันห้าจะมีอยู่เป็นอยู่ตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้ามีเหตุมีปัจจัยของมันมันก็ยังคงอยู่ถ้าเหตุปัจจัยของมันดับไปขันห้ก็ดับไปดับไปก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมแต่ตัณหานั้นจะมีอยู่ไม่ได้ถ้าเราเจริญมาร์กแเต็มที่แล้วอันนี้คือเราทําเองแต่ขันห้าก็มีเหตุมีปัจจัยของมันนะแต่มันยังมีเหตุปัจจัยแห่งความเจ็บอยู่ มันก็ยังจะมีเวทนานั้นอยู่แต่ว่าใจไม่มีตนาอันนี้ได้โ okay. อเคนนี่คือใน4เรื่องที่สาคัญสาคัญก่อนเองแค่ okay. นี้ว่าถ้าคุณจะรับปริญญาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณต้องรับปริญญาในเรื่องความทุกข์ประสิทธิ์ประสานมาให้แล้วโดยสี่นัยนี้โดยสี่นัยนี้ใน9ก้านัยนั้นในเก้าเรื่องนั้นคือเรื่องของความทุกข์ห้าเรื่องนั้นก็้กันคือขันห้า รอบ ร, รู้แบบนี้ <คะ S 1> แล้วอย่าไปสับสนนะกันห้าให้คุณรอบรู้ขันน้ามไม่ใช่เ ห, หละค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวดิฉันมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าก็เท่ากับว่าคำว่าบัณฑิตในที่นี้บัณฑิตจะสำคัญในคำว่าปัญญาซึ่งถ้าในความหมายของภาษาไทยนี่ก็แปลว่าผู้รอบรู้เป็นปราดอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะใช่ก็คือถ้าเป็นในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์หมายความถึงผู้ที่รอบรู้ในเรื่องทุก์หรือในเรื่องของขันห้ารอบรู้แบบต้องรู้ถึงเหตุถูกไหมคะใช่แล้วก็ถึงผลผลว่ามันจะให้ผลเป็นอะไรเหตุเกิดมาจากไหนใช่นะคะและาการรอบรู้นั้นเมื่อเรารู้เหตุรู้ผลแล้วเราก็จะรู้เหตุว่าเกิดจากปัญหาถูกไหมคะใช่ ทีนี้เราก็เลยจะต้องต้องดับตัณหาด้วยวิธีการใช้มักแปดถูกต้องอันนี้คือวิธีการที่จะดับมันเราต้องรู้ข้อที่สามคือวิธีการที่จะดับมันค่ะแต่ ด, ดับความอยากนั้นตัวตัวขันทั้งหลายเองยังคงอยู่ทงเหตุปัจจัยใช่และเมื่อรอรู้เช่นนี้แล้วคือไม่ไม่ได้หมายความว่าทีนี้ถ้าฟังอย่างนี้ก็คือไม่ใช่รู้แค่เรื่องขันเท่านั้นนะ แตรู้ต้องจบทั้งอริยศาสตร์สีของขันเลยถูกไหมคะถูกต้องก็ถึงจะได้ความเป็นบัณฑิตใช่เลยถูกเพลงเลยเพราะว่านี่คือความความรัดกุมรอบคอบของสมมาสัมุธาคุณโยมติ๋วพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมไม่หลาหลวมด้วยความที่เคารพธรรมมากจึงรัดกุมไม่หลาหลวมเหมือนอย่างราชสีตะคุบเหยื่อต้องทีเดียวตายเพราะในเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมมาจากกับปณนสูตรในที่นั้นเนี่ยโอ้พระสูตรนี้แบบคมมาก แบบต้องอ่านซ้ำย้ำแล้วแล้มอีกมันมันถึงจะได้รายละเอียดแบบนี้ค่ะท่านฟังก็ถ้าไม่มีเวลามากในการที่จะศึกษาธรรมะของพระศ า, าสดายอยากจะหาเรื่องที่รัดกุมที่สุดไม่มีทางหลุดไปไหนได้เลยแล้วก็เป็นเรื่องที่มีขอบเขตจำกัดของเขาอยู่ถ้าเป็นบทสวดมนต์เนี่ยถ้าสวดจริงๆแปลด้วยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ ก็อลองศึกษาบทธรรมจักกับประวัติตนาสูตรเท่ากับว่าถ้าฟังที่พระพุทธองค์บอกว่าในการล่วงไปแห่งพระพุทธองค์คือเมื่อป ร, รินิพานไปแล้วเนี่ยทำก็ดีวินัยก็ดีจะเป็นาศาสดาของเธอทั้งหลายดังนั้นการที่เราสวดมนต์นี่ก็เหมือนกับว่าเราได้อยู่กับพระพุทธเจ้าด้วยถูกไหมคะใช่ เ, เหมือนกับพระพุทธองค์มาแสดงธรรมกับเราแน่นอนเลยอืสามารถสมมุติตนเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรคะ เป็นเป็นปัจจุบันคีอ่าเป็นสาวกที่อยู่ในสมัยนั้นเนี่ยนั่งฟังอยู่กับภิกษุปัญจวัคคีนะฟังตรงเนี้ยแต่แต่ว่าภิกษุปัญจวัคคีท่านก็มีอินทรีย์แก่กล้าอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าเร า, าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเราฟังไปซ้ําไปซ้ําไปมันจะมีความเข้าใจในแง่มุมต่างๆไปมากขึ้นมากขึ้นค่ะนะคะแล ะ, ะทีนี้พูดถึงอันดับ ระดับระดับค่ะ <S <S ของการเป็นผู้ที่่าเป็นบัณฑิตเนี่ยมีบัณฑิตเดียวเลยใช่ไหมคะถ้ารู้ทั่นทั่วเนี่ยเป็นแค่นี้ก็เหนือกว่าดุสเดีบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆในปัจจุบันแล้วผู้เรียนตระไว้์สี่ระดับคือคนที่มารับรู้เรื่องทุกเนี่ยคุณมารับรู้เรื่องทุกใช่ไหม <S <S คุณหวังผ ล, าลาะอะไรคุณจะเอาปริญญาตรงนี้ใช่ไหมคุณจะเอาปริญญาตรงเนี้ยปริญญาในเรื่องความทุกเนี่ยจะมีอยู่สี่ระดับด้วยกัน คือผลที่จะเกิดขึ้นระดับแรกคือโซดาบันคือพูดถึงกระแสระดับที่สองคือสกัาคามีระดับที่สามก็อนาคามีระดับสี่ก็อรหันาจะเป็นอย่างนี้คืออริยบุคคลสี่ขั้นนั่นแหละค่ะบัณฑิตของพระพุทธองค์คืออริยบุคคลแต่แบ่งเป็นสี่ขั้นสี่ระดับถ้าระดับแรกพวกเราท่านๆก็ไม่ได้ไกลจนเกินไป เป็นได้ไหมคะได้มันขั้นมาร์กนี่ทุกคนเป็นแน่นอนขั้นมาร์กเนี่ยคแค่ว่าเรามีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าเออตาหูชมู ล, ลิ้นกายใจไม่เที่ยงแค่เรามีความเชื่อมีจิตน้อมไปอย่างเงี้ยคุณเป็นโสดาปฏิมาร์กแล้วนะออแต่แต่ว่าหน้าที่ต่อไปบางทีก็ยังไปด่าเขาว่าเขายึดถืออยู่ก็คือตกจากโสดาปฏิมารใหมปไงเราก็ต้องอพยายามทําให้มันได้ผลขึ้นมาเป็นผลนะ่ะที่มันจะเข้าสู่กระแสจริงค่ะ และเนื่องจากว่ารายการของเราเนี่ยก็มีหลายวันไม่ได้มีแค่สองวันนี้เราค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกันนะค ะ, ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าสี่ระดับของพระอริยบุคคลซึ่งจะได้ปริญญาของพระพุทธเจ้าเป็นบัณฑิตในระดับต่างๆนั้นเป็นอย่างไรมีรายละเอียดที่จะทำให้พวกเรามีความเคล่ะคะมี มีความสามารถในการไปถึงตรงนั้นได้อย่างถูกต้องใช่ก็ม<ข>ีวิธีที่จะคือจะเปรียบเทียบแบบในในทางโลกว่าคุณจบปริญญาสักการณนี้คุณทํางานได้เงินเดือนเท่านี้คุณไปต่อตรงนั้ น, ต ร, น, นตรงนี้ได้อย่างเงี้ยอ่าแล้วถ้าจบปริญญาในทางรอบรู้เรื่องทุกของพระพุเชเจ้าแล้วเป็นบัณฑิตสีขั้นเนี่ยแต่ละขั้นจะมีเงินเดือนเท่าไหร่มีผลประโยชน์ยังไงอะไรเนี่ยเราจะมาพูยกันได้อยู่นะคะงั้นวันนี้ก็ ใช้เวลากันมาเต็มที่ทีเดียวสําหรับทําความเข้าใจในเรื่องของบันดิบในความหมายของพระพุทธองค์แล้วก็ได้รู้ถึงคําสอนของพระาศาสดาที่สําคัญมากๆที่ได้ตรัสสอนไว้เป็นธรรมเทศนาบทแรกที่เราเรียกกันว่าธรรมจักกัปวัฒตนสูตรด้วยนั่นเลยกราบนื่อการขอบพระคุณท่านพระมหาไปบุญเป็นอย่างยิ่งนะคะเนื่องการค่ะการท่านฝั่งที่ครบท้าก็เป็นการสนทนา รายการสัสนิยมสนทนาดำเนินรายการโดยสัสนิยมนาคพงศ์ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเอซึ่งพบกันทุกวันพระหัสสบดีและวันศุกร์ในเรื่องของการสนทนากับท่านไพบูรณ์แต่ส่วนของท่านเองนั้นได้พบกับพวกเราในเวลาเดียวกันตั้งแต่วันจันทร์แล้วที่นี่เช่นเดียวกันนะคะมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้พุทธ ว, วัสตรีค่ะ